การพัฒนาความสุขวัดผลเชิงอุดมคติได้พูดไปมากแล้วถึงขั้นระดับของความสุขซึ่งสัมพันธ์กับเรื่องความต้องการที่ว่ามานอกจากพูดถึงระดับและขั้นของความสุขแล้วก็ได้พูดถึงประเภทของความสุขไว้อย่างกว้างๆด้วยในที่นี้เพื่อเป็นความรู้ประกอบพอให้ผ่า น, านตาไวขอแสดงประเภทของความสุข แบบที่พระพุทธเจ้าตรัดไว้เป็นชุดๆเช่นแห่งหนึ่งตรัดความสุขไว้ส3บสามคู่แม้ว่าในที่นี้จะไม่ได้ต้องการให้สนใจอะไรมากก็เอ่ยถึงไว้ให้ได้ยินเพื่อจะได้มองในแง่ที่ว่าความสุขสามารถแบ่งจำแนกออกไปได้มากมายสุขส3บสามคู่นี้เป็นความสุขในประเภทและในขั้นเดียวกันบ้างคาบเกี่ยวเกยกัน ในระดับต่างๆบ้างท่านไม่ได้มุ่งในแง่จัดประเภทแต่ให้เห็นความเข้าชุดกันเป็นคู่ๆยกตัวอย่างเช่นคู่หนึ่งกายกสุขคือความสุขทางกายเจตสิกสุคือความสุขทางใจคู่หนึ่งสามิ ส, สุคือความสุขอิงามสิสุขที่ต้องอาศัยการวัตถุ หรือขึ้นต่อสิ่งเสพนิรามิสุขคือความสุขไม่ยิงอามิตรไม่ต้องอาศัยการวัตถุไม่ขึ้นต่อสิ่งเสพสุขในระดับเป็นอิสระคู่หนึ่งกี้หิสุขคือความสุขของขฤารือหัสุขแบบชาวบ้านปักปะชิตสุขคือความสุขของบรรพชิตสุขแบบผู้บวช ผู้หนึ่งกามสุขคือความสุขจากกามสุขกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกายที่น่าใครน่าปรารถนาสุขกับการได้การเสพเนคคา ม, มสุขคือความสุขปลีกหรือปลอดจากกามสุขปลอดโปร่งจากสิ่งล่อเร้าเยาหยวนสุขแบบสลัดออกไม่ยุ่งกับการได้การเอา ที่ยกมานี้เพียงสีค่คู่เพื่อให้ดูเป็นตัวอย่างจะได้เห็นว่าความสุขมีมากมายพระพุทธเจ้าตรัสไว้เพื่อให้เห็นแงาาม่มุมที่จะจําแนกแยกแยะดูความแตกต่างแบ่งได้หลากหลายถึงแม้บางแห่งจะแบ่งเป็นสุขสิบอย่างก็ไม่ใช่เป็นเรื่องหลักสําคัญแต่เป็นข้อที่รู้ไว้เมื่อจับสาราตามที่กล่าวมาได้แล้วพอพบก็จะมองออกว่าความสุขอย่างนี้อย่างนี้ อยู่ในตำแหน่งแห่งที่ตรงไหนเป็นอย่างไรนอกจากนี้ในแง่ความรู้ประกอบนั้นเมื่อมองอย่างกว้า ง, ก, างก็สามารถจัดประเภทความสุขได้ในเชิงอุดมคติด้วยกล่าวคือเมื่อถือว่าความสุขเป็นจุดหมายของการศึกษาก็โยงไปได้ถึงหลักในเรื่องภพภูมิโดยเฉพาะการแบ่งเป็นภูมติต่างๆคือการจัดตามระดับจิตและระดับชีวิต ที่จะพัฒนาขึ้นไปอย่างที่รู้กันมาเป็นประเพณีว่าสัพพโลกนี้แบ่งเป็นภูมิต่างๆมากมายจัดได้เป็นสามระดับคือกามภูมิระดับที่ยังเกี่ยวข้องกับกามรูปภูมิระดับรูปประพรมอรูปภูมิระดับอารูปประพรมเรียกดมว่าไตรภูมิ แล้วเหนือไตรภูมิมีอีกระดับหนึ่งคือโลกุตระภูมิระดับเหนือโลกภูมิในไตรภูมินี้หมายถึงโลกหรือแดนอันเป็นที่อยู่ของประดาสัตว์ที่มีชีวิตในระดับเดียวกันนั้นๆก็ได้หมายถึงระดับจิตของสัตว์ที่พัฒนาถึงระดับนั้นๆก็ได้ความหมายที่สองคือระดับจิตนี้ใช้กับโลกุตระภูมิได้ด้วย ดังนั้นจึงมีความหมายต่อไปอีกว่าสัตว์ที่อยู่ในโลกเดียวกันเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์ทั้งหลายในโลกนี้อาจจะมีผู้ที่พัฒนาอยู่ในภูมิต่างๆของไตรภูมิจนถึงโลกุตระภูมิได้ทั้งหมดถ้าจะจัดประเภทให้สะดวกที่จะเข้าใจได้ง่ายก็แบ่งทั้งหมดให้เป็นสามคือหนึ่งกามภูมิคือชั้นกามชั้นที่เกี่ยวข้องกับกาม สรู ป, ปรภูมิและอารู ป, ปรภูมิเรียกรวมกันเป็นชั้นพรมสามโลกุตระภูมิหรือชั้นเหนือโลกหรือชั้นโลกุตระเมื่อมองในแง่ความสุขก็จัดระดับได้เป็น1ชั้นกามระดับกามสุขมีความเป็นเทพหรือสวรรค์เป็นอุดมคติ คือมีการพัฒนาถึงขั้นที่มีการมาสุขอย่างเลิศแม้จะยังมีทุกตามระษาปุถุชนแต่ว่างเว้นจากการเบียดเบียนไม่ต้องมีทันทะอาชยา 2. ชั้นพรมระดับชาญสุขมีความเป็นพรมเป็นอุดมคติ 3. ชั้นโล ก, กุตระระดับนิพพา น, นสุข มีอารหาัตผลเป็นอุดมคติพระพุทธศาสนาเป็นระบบการศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์ซึ่งมีหลักว่าตลอดทุกเวลาแต่ละคนพึงพัฒนาตนให้ดีงามประเสริฐมีความสุขสงขึ้นไปและในแต่ละเวลานั้นคนทั้งหลายอยู่ในระดับการพัฒนาที่ต่างๆกันไปด้วยเหตุนี้โลก ควรมีสภาพที่เอื้อต่อการอยู่ดีของเหล่าชนที่มีระดับการพัฒนาต่างๆกันและเกื้อหนุนให้แต่ละคนพัฒนาตนยิ่งขึ้นไปได้ด้วยดีเมื่อตั้งความสุขหรือสุขภาวะคือความเป็นสุขขึ้นเป็นจุดหมายของการศึกษามนุษย์ก็พึงพัฒนาตนสูงขึ้นไปในภูมิทั้งหลายที่ว่ามานั้นให้เข้าถึงความสุขที่ประนีสูงขึ้นไปขึ้นไป ด้วยศีลศึกษาพัฒนากายให้มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นคุณเป็นประโยชน์และพัฒนาศีลให้อยู่ในสังคมอย่างเกื้อกูลมีความสุขร่วมกันหรือพูดสั้นๆว่าพัฒนาด้วยทานและศีลก็จะเข้าถึงการมาสุขอย่างชาวสวรรค์ด้วยจิตตาศึกษาในสภาพแวดล้อมที่เอื้อนั้น พัฒนาจิตใจให้งอกงามในคุณธรรมโดยเฉพาะพระมิหารธรรมมีความเข้มแข็งมั่นคงและมีความสุขโดยมีสมาธิเป็นที่ตั้งก็จะเรือนด้วยความสุขของจิตใจจนสามารถเข้าถึงชานสุขได้ด้วยปัญญาศึกษาอาศัยสภาพจิตที่พร้อมนั้นพัฒนาปัญญาให้เกิดความรู้เข้าใจเท่าทันมองเห็นสิ่งทั้งหลายตรงตามเป็นจริง หรือตามที่มันเป็นอย่างถึงเหตุปัจจัยรู้จักดำเนินการให้สำเร็จลุจุดหมายแก้ปัญหาดับทุกข์ได้ทำจิตใจให้เป็นอิสระมีความสุขที่ไร้ทุกข์เข้าถึงนิพพา น, นาสุขในขณะที่พวกชาวสวรรค์บันเทิงด้วยวัตถุและกิจกรรมทางการมาสุขพวกชั้นโรมอิ่มอยู่กับความสุขทางจิตถึงขั้นฌา น, นาสุขและพระอระหันต์ลุนิพพานสุขสมบูรณ ผลเป็นปลาจากเยื่อยญในอามิสุขบุคคลโสดาบันเข้าถึงความสุขในสามภูมินั้นทั้งกามสุขทั้งอธิจิตสุขและโลกุตรสุขโดยอย่างไม่ทิ้งอย่างหนึ่งอย่างใด